สาสิบศาสนาพุทธสอนให้รู้กายรู้ใจหนึ่งความทุกข์อยู่ที่กายและที่ใจเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องเข้าใจกระบวนการที่ทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นผู้ปฏิบัติก็คือผู้สังเกตการให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่ผู้ไปจัดการจิตในการตามดูจิตต้องปล่อยให้จิตทำงานไปโดยไม่ไปข่มหรือดัดแปลงใดๆเราเพียงตามรู้อาการของจิตเหมือนเป็นคนนอกที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปหาสาระแก่นสารไม่ได้และต้องไม่เอาจิตไปเกาะตามดูสิ่งที่ถูกรู้เช่นจิตหลงไปดูก็เพียงรู้ว่าหลงไปดูไม่ต้องรู้เรื่องที่ดูหรือเหมือนคนอยู่บนตลิ่งมองดูสิ่งต่างๆที่น้ำพัดพามาแล้วก็ผ่านไปไม่กระโจนลงไปดูในน้ํา 2. ศาสนาพุทธสอนให้รู้รู้ความจริงของกายของใจด้วยตนเอง ให้รู้อย่างเดียวไม่ให้ทำอะไรเพราะถ้าทำจะทำให้เราแทรกแซงร่างกายและจิตใจเช่นผู้ปฏิบัติใช้สมถะบังคับกิเลสได้ชั่วคราวก็คิดว่าเราทำได้จัดการกับกิเลสได้กลายเป็นกูเก่งดังนั้นอย่าคิดว่าทำอย่างไรจะถูกเพราะทำอย่างไรก็ผิดต้องรู้อย่างเดียวสมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหยุดอยู่ที่ความดีแต่สอนให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจ จนเห็นความจริงของกายของใจเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เดี๋วดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนไม่เที่ยงฝึกจนใจยอมรับความจริงเพราะความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะยอมรับความจริงได้ว่าทุกสิ่งชั่วคราวทั้งสิน้นเรียกว่าเข้าใจธรรมะคือมีดวงตาเห็นธรรม